สััมสำหรับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับผมในช่วงก่อนบวชช่วงที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยหลังจากจบม .6 ก็เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งย่านบางพีผมเรียนที่นี่ตั้งแต่ซัมเมอร์ตอนนั้นก็มีกลุ่มเพื่อนจากโรงเรียนเดียวกัน มาเรียนหนักสอนศาสตร์8ปดคนต่างคณะกันไปซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องอยู่หอในของมหาวิทยาลัยก่อนอย่างที่บอกตอนนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์เด็กใหม่มีน้อยมากประกอบกับหอในอีกฝั่งกำลังสร้างอยู่หอในที่นี่จะเป็นรูปตัวแอลมีเสาแดงอยู่ตรงกลางย้งยงกับทางเข้าว่ากันว่าเสานี้ สร้างเพื่อสะกดวิญญาณเพราะที่หอพักแห่งนี้เป็นป่าช้าเก่าผมก็เข้าพักที่หอแห่งนี้ซึ่งตอนนั้นมีการปรับปรุงหอครั้งใหญ่ในหอจะมีอยู่แค่ตึกเดียวและมีสองชั้นคือชั้นสามและชั้นสี่ผู้หญิงจะอยู่ชั้นสามส่วนผู้ชายจะอยู่ชั้นสี่หอในตอนนั้นจะเป็นห้องเล็ก มีเตียงสองชั้นสองเตียงซึ่งอยู่ตรงข้ามกันสามารถนอนได้สี่คนมีห้องน้ารวมอยู่สองฝั่งของห้องจากเด็กที่ไม่เคยห่างบ้านตอนแรกก็ว้าเวมากเพื่อนก็อยู่คนละคณะผมรู้สึกอยากกลับบ้านมากแต่ก็ยังดีที่มีพวกรุ่นพี่รวมห้องอีกคนหนึ่งเป็นคนอยุทธยาเหมือนกันก็เลยพอจะคลายเหงาไปได้บ้าง เนื่องจากผมเป็นคนมีเซน์อยู่แล้วก็เลยลองเดินสำรวจทั่วหอผมรู้สึกวังเวงและกลัวอย่างบอกไม่ถูกมันมีหลายอารมณ์มากทั้งรู้สึกเศร้าเหงาหดหัวมากๆผมมีความรู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาในบริเวณหอแล้วคืนแรกมีการรับน้องหอเพื่อดำความรู้จักกับเพื่อนร่วมหอ หลังจากรับน้องและประชุมกันเสร็จแล้วก็อาบน้ำกันในห้องน้ำฝั่งหนึ่งจะเป็นโถชีผู้ชายอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องอาบน้ำผมก็เข้าไปอาบน้ำพออาบไปได้สักพักก็เห็นคราบแดงๆไหลลงจากประตูห้องของผมทุกอย่างโดยรอบมันเงียบไปหมดและมีความรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ในห้องน้าเลย ผมตกใจร้องเสียงหลงแล้วสักพักก็มีเสียงหัวเราะดังลั่นใช่แล้วมันเป็นเพื่อนของผมเองมันเอาน้ำแดงมาราดลงบนประตูแล้วพากันหัวเราะในตอนนั้นผมแทบจะหัวใจวายเล่นอะไรกันบา้บาๆพออาบน้ำเสร็จพวกเราก็แยกย้ายกันเข้านอนคืนนั้นผมนอนไม่หลับนอนยังไงก็ไม่หลับ สักพักผมก็รู้สึกปวดฉี่เลยลุกมาเข้าห้องน้ําเพียงคนเดียวแล้วเรื่องสยองที่แท้จริงก็เริ่มต้นจากตรงนี้เมื่อผมเดินเข้ามาในห้องน้ําแล้วตรงไปที่โถฉี่โดยใช้มือขวารูดสิบส่วนมือซ้ายหยิบเจ้าหนอนน้อยออกมาขณะที่ผมกําลังจะเบ่งน้ําจากฝักบัวห้องน้ําด้านหลังก็ไหลออกมาเหมือนมีคนเปิดจนสุด ผมหันไปดูและเริ่มใจคอไม่ดีแล้วแต่ยังไม่ทันได้หันกลับมาโถชีิริมสุดของห้องก็ดังขึ้นแล้วโถถัดมาก็ดังอีกเรียงกันมาเรื่อยๆจนจะถึงโถผมอยู่แล้วเท่านั้นแหละผมไม่คิดอะไรแล้วด้วยความกลัวว่าประตูห้องน้ำใหญ่จะปิด เหมือนในหนังผีผมวิ่งกลับห้องของตัวเองยังไม่คิดชีวิตส่วนเจ้าหนอนน้อยก็ยังไม่ได้เก็บมันได้ออกมาลืมตาสู่โลกกว้างก็วันนี้แหละเพราะเก็บไม่ทันพอผมวิ่งไปถึงห้องผมก็รีบร้อนปิดประตูห้องจนเกิดเสียงดังแล้วผมก็ยืนหอบหยุดตรงประตูรูมเมทดุนพี่ที่ห้องตื่น แล้วถามผมว่าเป็นอะไรผมบอกว่าผมเจอผีฝักบัวกับโถชีเปิดเองได้แล้วผมก็ขอร้องให้พี่เขาไปชีเป็นเพื่อนหน่อยรูมเมต ร, รุ่นพี่เองก็กลัวเหมือนกันแต่ด้วยความสงสารก็เลยไปเป็นเพื่อนผมพวกเราไปห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งของตึกก็ไม่มีอะไ ร, ประแปลกๆเกิดขึ้นหลังจากคืนแรกผ่านไป เมื่อนําเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังเรื่องของผมก็เริ่มดังขึ้นมาทุกคนต่างรู้จักผมแล้วคืนนั้นรุ่นพี่ก็นัดประชุมกันและหนึ่งในเรื่องที่ประชุมกันนั้นก็คือเรื่องผีการประชุมดำเนินไปจนเข้าเรื่องของผมรุ่นพีที่อยู่ในหอตอนนั้นก็มีประมาณห้าหคน โดยผลัดกันเล่าเรื่องผีที่ตัวเองเคยเจอมาในหอแห่งนี้เพื่อปลอบรุ่นน้องหรือทําให้ยิ่งกลัวมากขึ้นกว่าเดิมพี่คนที่หนึ่งได้เล่าว่าตอนนั้นห้องพักของแกมีกันอยู่สามคนซึ่งเตียงจะมีสองชั้นสองฝั่งโดยฝั่งหนึ่งจะมีสองคนและอีกฝั่งหนึ่งจะมีคนเดียวซึ่งฝั่งที่นอนคนเดียวก็คือพี่เขานั่นแหละ โดยพี่เขานอนที่ชั้นล่างของเตียงแล้วเอาเสื้อผ้ามาแขวนไว้กับราวของเตียงชั้นสองคืนนั้นเป็นคืนมันลอยกระทงเพื่อนแกทั้งสองคนก็ไปเที่ยวยังไม่ขึ้นมานอนจึงทำให้มีแกนอนอยู่คนเดียวภายในห้องแล้วกลางดึกของคืนนั้นขณะที่แกนอนหลับอยู่หูแกก็ได้ยินเสียงคนเดินภายในห้อง แต่แกก็นอนต่อโดยไม่สนใจคิดว่าเพื่อนแกคงกลับมาแล้วจะสิ่งที่ทำให้แกต้องแปลกใจก็คือเสียงนั้นเดินมาที่เตียงของแกแล้วเหมือนกับว่าเขาคนนั้นจะปีนขึ้นไปบนเตียงชั้นสองเพราะแกรู้สึกได้ว่าเตียงมันโยกแต่แกก็ยังไม่ลืมตาตื่นมามองเพราะคิดว่าเพื่อนแก คงอยากจะเปลี่ยนที่นอนบ้างแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเสื้อผ้าที่แกแขวนไว้ค่อยๆถูกแหวกออกมาแล้วใบหน้าของชายชราคนหนึ่งก็โผล่เข้ามาและใกลเข้ามาหาแกเรื่อยๆพี่เขาก็ทำอะไรไม่ถูกจึงได้แต่สวดมนต์ซ้ำๆวนไปวนมาพร้อมกับหลับตาปีแกสวดว่า นโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะจนผ่านไปสักพักก็มีเสียงกระซิบข้างางหูแกว่าฮักคาวโตไปไหนล่ะไอหนูฮฮาฮาฮาาพี่คนที่สองเล่าว่าปีที่แล้วช่วงซัมเมอร์แกติดศูนย์อยู่จึงต้องมาแก้ตอนซัมเมอร์ช่วงนั้นเป็นซัมเมอร์ที่คนน้อยมาก หอนายดูเงียบและวังเวงมากช่วงแรกก็ไม่มีอะไรทุกอย่างดูเป็นปกติดีจนมาอยู่เย็นวันหนึ่งซึ่งตอนนั้นมันเป็นเวลาหกโมงเย็นแกก็ได้ยินเสียงไก่ขันแล้วสักพักก็มีเสียงหมาหอนร้องกันระงมแถมวันนั้นยังเป็นวันที่มืดเร็วมากอีกด้วยหกโมงเย็นก็มืดสนิทแล้ว หลังจากที่แกกินข้าวเย็นใต้หอเสร็จก็ขึ้นไปบนห้องตามปกติเสียงหมาหอนก็ยังไม่หยุดร้องแต่แกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเวลาล่วงเลยไปจนค่ำแกก็เข้าไปอาบน้ำที่ห้องน้ำรวมตอนนั้นแกบอกว่าห้องข้างๆมีเสียงคนอาบน้ำอยู่ก็รู้สึกอุ่นใจแต่พออาบไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงกรีดร้อง มันเป็นเสียงผู้หญิงกรีดร้องแบบทรมานมากแกก็ตกใจเฮ้ยในห้องน้ําผู้ชายแล้วผู้หญิงเข้ามาได้ยังไงมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าแกรีบเปิดประตูวิ่งออกมาดูตามเสียงนั้นพอเปิดประตูเข้าห้องน้ําห้องหนึ่งไปแกก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดนักศึกษานุ่งกระโปรงทรงเอระหว่างขาก็มีเลือดไหลออกมานองเต็มพื้น ตอนนั้นพี่แกตกใจมากเลยวิ่งออกไปตามคนมาช่วยแล้วก็ไปเจอแม่บ้านคนหนึ่งแกเลยพามาที่ห้องน้ำห้องนั้นแต่พอมาถึงก็ไม่พบผู้หญิงคนนั้นแล้วไม่พบแม้แต่รอยเลือดแม่บ้านเลยถามพี่เขากลับมาว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่พี่เขาก็เลยบอกว่าวันนี้29กกุมภาพันธ์ แล้วแม่บ้านก็เล่าเรื่องราวเมื่อสองปีก่อนให้พี่เขาฟังแม่บ้านได้บอกว่าชั้นนี้เคยเป็นหอหญิงมาก่อนเคยมีนักศึกษาคนหนึ่งไปทำแทงมาแล้วตกเลือดเลือดไหลไม่ยอมหยุดจนเสียชีวิตในห้องน้ำห้องนั้นหลังจากนำศพออกไปแล้ววันนั้นแม่บ้านก็ช่วยกันทําความสะอาดแต่คราบเลือดนั้น ล้างยังไงก็ล้างไม่ออกจนต้องปล่อยไปเลยตามเลยหลังจากวันนั้นพอแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาด ห, ห้องน้ำก็จะโดนหลอกกันทุกคนจนไม่มีใครกล้ามาทำความสะอาดชั้นนี้หลังหกโมงเย็นอีกเลยแต่เรื่องนี้มันก็นานมาแล้วไม่นึกว่าน้องเขาจะยังอยู่ พี่คนที่สามเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ห้องน้ำแห่งหนึ่งไม่รู้ว่าปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่าเป็นห้องน้ำซึ่งอยู่บริเวณเยื้อประตูเหล็กทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยในตอนนั้นปกติห้องน้ำห้องนี้จะไม่มีใครเข้าเพราะมีข่าวมาว่าเคยมีนักศึกษาเสียชีวิตในห้องน้ำห้องนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า บางข่าวก็ว่ามีการฆ่าข่มขืนนักศึกษาคณะหนึ่งบางข่าวว่าเกิดการทะเลาะ ก, กันของหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งเป็นแฟนกันและตัวผมเองเมื่อไปถึงมหาวิทยาลัยครั้งแรก mm. ก็เคยใช้ห้องน้ำห้องนี้เหมือนกันเพราะไม่รู้ประวัติรู้แค่ว่าห้องน้ำห้องนั้นค่อนข้างใหม่ดูสะอาดแต่จะมีคราบน้ำแห้แง เหมือนไม่มีคนใช้มานานแล้วเมื่อเวลาเข้าไปยังห้องน้าห้องนี้จะมีความรู้สึกอึดอัดเศร้าและแปลกแต่ไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆอาจเป็นเพราะว่าผมเข้าห้องน้ําชายไม่ได้เข้าห้องน้ําหญิงซึ่งเป็นที่เกิดเหตุพี่คนที่เล่าเรื่องนี้เป็นคนเลยๆไม่เชื่อเรื่องผีวิญญาณ หรือสิ่งงมงายใดๆทั้งสิ้นเย็นวันนั้นประมาณห้าหโมงแล้วที่เขาเตะบอลอยู่กับเพื่อ น, อนหลังจากพี่แกเตะบอลเสร็จก็รู้สึกปวดฉี่ห้องน้ำดังกล่าวก็อยู่ข้างสนามบอลด้วยด้วยความไม่เคยกลัวอะไรของแกก็เลยจะเข้าห้องน้ำที่นี่แต่เพื่อนของแกอีกสองสามคนก็มาเตือนว่ายากเข้าไป แกไม่สนใจคำเตือนของเพื่อนๆแล้วแกก็เดินไปยังห้องน้ำผู้ชายแต่ปรากฏว่าวันนั้นประตูห้องน้ำผู้ชายถูกล็อกเอาไว้พี่แกเลยลองเปิดประตูห้องน้ำหญิงดูก็ปรากฏว่ามันเปิดได้แกก็เลยเข้าไปโดยมีเพื่อนอีกสามคนรออยู่ด้านนอกเพราะพี่เขาเข้าไปด้านในชีอะไรเสร็จเรียบร้อย และกำลังจะล้างมือที่อย่างล้างหน้าจูๆไฟในห้องน้ำก็กระพริบแล้วความกลัวก็เริ่มมาครอบงำพี่แกมีความรู้สึกแปลกๆเลยหันไปมองตรงประตูห้องน้ำที่ปิดอยู่ก็ไม่มีอะไรแต่พอหันกลับมาก็แทบช็อกเพราะในกระจกนั้นแกเห็นใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่ง กำลังก้มมองตรงช่องว่างระหว่างพื้นกับประตูดวงตาสองคู่นั้นจ้องมาที่พี่แก่ขมิง้งแล้วปากของเธอก็สยะยิ้มจนเห็นฟันหน้าเกลียดเท่านั้นแหละพี่เขาก็สับขาวิ่งตีนแตกแหกปากร้องลั่นห้องน้ําจากคนที่ไม่เคยกลัวอะไรก็กลายเป็นคนขี้กลัวไปเลยตั้งแต่นั้นมา แล้วเรื่องราวก็เวียนมาถึงคนที่สี่ซึ่งพี่คนนี้เป็นรูมเมตผมเองแกเล่าว่าแกเป็นคนกลัวผีมากๆแทบไม่เคยนอนคนเดียวที่ห้องเลยเพราะมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่แกไม่มีเรียนช่วงบ่ายเลยกลับมานอนที่หอพอไปถึงนาห้องยังไม่ทันได้เปิดประตูพี่แกก็มองผ่านบานเกล็ดที่อยู่ข้างๆประตู แกเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องด้วยความที่บานเกล็ดนั้นมีมุ้งลวดกั้นอยู่อีกชั้นประกอบกับมีฝุ่นจับอยู่ที่มุ้งลวดค่อนข้างหนาแกเลยมองเห็นไม่ค่อยชัดจึงเคาะประตูก่อนเพราะคิดว่าอาจจะเป็นแฟนของเพื่อนที่แอบเข้ามาหาก็ได้แกบอกว่าสมัยนั้นผู้หญิงสามารถแอบขึ้นมาชั้นผู้ชายได้เพราะไม่มีประตูกัน้น ซึ่งมีการแอบขึ้นมาหลายครั้งหลายคนทั้งเพื่อนทั้งแฟนจนเป็นเรื่องปกติหลังจากที่แกเคาะประตูก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆแกเลยไขกุญแจเข้าไปแต่ปรากฏว่าไขาไม่ได้หมุนกุญแจได้แต่เปิดไม่ออกแกก็ไขยอยู่สักพักสายตาก็มองเข้าไปในห้อง ก็ยังคงเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนนั้นอยู่เพราะไขไม่ได้และไม่มีเสียงตอบรับใดๆแกก็ทอดใจเลยลงมาหาข้าวกินใต้หอจะแจ้งคนดูแล ว, ว่าเข้าห้องไม่ได้ก็กลัวจะมีปัญหาเพราะมีผู้หญิงอยู่ในห้องจนแกกินข้าวเสร็จก็ขึ้นมาลองไขดูอีกทีปรากฏว่าไขาเข้าไปได้เปิดแบบง่ายๆเลย พอเข้าไปในห้องแล้วก็ไม่เห็นมีใครแกจึงนอนเล่นอยู่ในห้องจนเพื่อนทั้งสองคนของแกกลับมาแกก็ถามเพื่อนว่าพาใครขึ้นมาไหมเพื่อนแกก็บอกไม่มีเขาเรียนอยู่ทั้งวันพึ่งเลิกรูมเมทผมก็แปลกใจว่าคนที่เห็นคนนั้นเป็นใครกันเข้าไปในห้องได้ยังไงจนสัปดาห์ถัดมา ี่คนนั้นก็ไม่มีเรียนตอนบ่ายเหมือนเดิมและกลับมาที่ห้องเช่นเดิมแล้วเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นผ่านทางบานเกล็ดอีกแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือมุงลวดที่ทำความสะอาดแล้วมันสะอาดขึ้นมองเห็นได้ชัดแจ๋วเลยทีนี้เมื่อมองลอดช่องบานเกล็ดแกก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ชั้นล่างของเตียงฟังเพื่อนแกแต่ที่ทาให้แกถึงกับช็อกก็คือ ผู้หญิงคนนั้นไม่มีขาไม่มีช่วงล่างตั้งแต่เข่าลงมาเธอผมยาวใส่ชุดธรรมดาทำท่าเหมือนกับกำลังนั่งแกว่งเท้าอยู่บนเตียงด้วยความที่เขาไม่เชื่อในสายตาของตัวเองพี่เขาจึงไขประตูเพื่อจะเข้าไปดูเหมือนเดิมคือหมุนได้แต่เปิดไม่ออกเสียงเปิดประตูนั้น มันมาพร้อมกับการหันหน้ามามองของผู้หญิงคนนั้นแล้วเธอก็หายไปพร้อมๆกับประตูที่เปิดออกแกเห็นผู้หญิงคนนั้นหายไปต่อหน้าต่อตาจึงช็อกมากเลยลงมาทำใจใต้หอรอเพื่อนๆกลับจนเพื่อนแกกลับมาแกก็เล่าสิ่งที่แกเห็นให้เพื่อนร่วมห้องทั้งสองคนฟัง เพื่อนแกเลยบอกว่าเคยเห็นเหมือนกันแต่เห็นเป็นส่วนเท้าที่ห้อยลงมาจากเตียงชั้นบนตอนนั้นคิดว่าคงตาฝาดเพราะเห็นแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นทั้งสามคนก็พากันไปทำบุญแล้วก็ไม่เคยเห็นเธอคนนั้นอีกเลยที่คนที่ห้าเล่า ว, ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับแกโดยตรง แต่เป็นเพื่อนผู้หญิงของแกมาเล่าอีกทีแกเล่าว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้อยู่หอในซึ่งเป็นหอหญิงล้วนที่เพิ่งสร้างเสร็จเธออยู่กันกับเพื่อนผู้หญิงรวมสามคนเธอรู้สึกว่าทุกครั้งที่อยู่ในห้องเหมือนมีคนอีกคนมาอยู่ด้วยไม่ได้อยู่กันแค่สามคนเวลาอาบน้ำในห้องคนเดียวก็เหมือนมีใครเดินวนเวียนอยู่ในห้องทั้งสามคน รู้สึกเหมือนกันหมดนานวันเข้าทั้งสามคนก็ออกไปนอนห้องเพื่อนบ้างเพราะทุกคนบอกเหมือนกันว่าอึดอัดอยู่แล้วไม่สบายใจนอนไม่ค่อยหลับจนมาถึงวันหนึ่งเพื่อนแกนอนอยู่ห้องคนเดียวเพราะอีกสองคนไปนอนห้องอื่นด้วยความไม่คิดอะไรก็อาบน้ำตอนแกอาบน้ำก็เหมือนมีเสียงคนเดินอยู่ในห้อง เสียงกอกกแกแกกเหมือนมีคนกำลังรื้ออะไรอยู่แต่ด้วยความที่คิดว่าเป็นเพื่อนคนใดคนหนึ่งเมาของก็เลยไม่คิดอะไรพออาบน้ำเสร็จออกมาก็ไม่เจอใครเธอจึงมานั่งบนเตียงเปิดโน้ตบุ๊กดูทีวีในเน็ตปรากฏว่าน้ำจากฝักบัวที่อยู่ในห้องน้ำมันไหลเองแต่แกก็ยังคิดว่าเพื่ออาบน้ำเสร็จ น้ำอาจจะค้างปลายสายก็ได้หรืออาจจะปิดไม่แน่นแกเลยลุกจากเตียงเพื่อจะไปปิดเพราะก้าวลงจากเตียงโน้ตบุ๊กที่วางไว้บนเตียงก็เอียงคว่าลงแล้วเสียงทีวีนั้นก็หายไปห้องทั้งห้องเงียบสนิทในขณะเดียวกันนั้นสายตาของแกก็เลือบไปตรงที่นอนของเพื่อนแกปรากฏว่าแกเห็นที่นอนบุ๋มลงไป เป็นรูปร่างคนมันดูเหมือนมีคนนอนอยู่แต่ว่าไม่มีใครด้วยความตกใจแกจึงเปิดประตูห้องแล้ววิ่งไปหาเพื่อนอีกสองคนเรียกให้มาดูพอมาถึงเตียงก็ยังบุ่มเป็นร่างคนอยู่ทั้งสามจึงตัดสินใจว่าจะขอย้ายห้องในทันทีแล้วก็ได้มารู้ทีหลังว่าห้องนี้เคยมีนักศึกษาอยู่ แต่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเสียชีวิตคาที่เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เขายังไม่รู้ตัวว่าได้ตายไปแล้วยังคงวนเวียนอยู่ที่ห้องนี้ตลอดเวลาจนรูมเมทของผู้เสียชีวิตอยู่ไม่ได้ต้องย้ายออกแล้วเตียงนั้นใครที่มานอนกี่คนก็นอนไม่ได้นอนไม่สบายอึดอัดนอนไม่หลับ โดนอัมบ้างเห็นเตียงเป็นรอยบุ๋มบ้างหรือบางคนเจอแบบจังๆเลยก็มีผ่านมากี่รุ่นก็ยังมีคนเจออยู่จนฮางหอได้ตัดสินใจเปลี่ยนเตียงใหม่แล้วนําเตียงเก่านั้นไปเผาจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจอเธอคนนั้นอีกเลยเรื่องสุดท้ายของพี่คนที่หก เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังมากในยุค ข, ของรุ่นพี่กลุ่มนี้เนื่องจากแทบทั้งรุ่นเจอเหมือนกันหลายสิบคนเรื่องมีอยู่ว่ากลางดึกคืนหนึ่งในหอพักชั้นของผู้ชายได้มีการรวมกลุ่มนั่งเฮฮาปาร์ตี้ในห้องสามห้องติดกันฉลองวันสอบเสร็จเด็กหอทั้งชั้นจึงมารวมกลุ่มกันเล่นไพ่บ้างกินเหล้าบ้าง เหตุการณ์ก็เป็นไปตามปกติจนมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นทั้งวงเล่าและวงไพ่ในห้องกลัวจะเป็นอาจารย์มาตรวจก็ตะโกนถามว่าใครแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆพอคนในห้องเอาเหล้าเอาบุหรี่ไปซ่อนเรียบร้อยก็ไปเปิดประตูปรากฏว่าไม่มีใครจึงกลับมาเฮฮากันต่อสักพัก เสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกเพราะเปิดดูก็ไม่มีใครแต่พอปิดประตูเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกแล้วก็มีเสียงลอดผ่านประตูเข้ามาซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องได้พูดว่าข้อห้องกูทาไมวะมีอะไรหรือเปล่าพี่คนหนึ่งจึงเดินไปเปิดประตูและบอกว่านั่นแหละข้อห้องกูทั้งสองเที่ยวสามเที่ยว พอเปิดดูก็ไม่มีใครจะแกล้งกันใช่ไหมพี่คนที่เดินมาถามก็ทำหน้างงแล้วเดินกลับห้องของตัวเองไปสักพักก็มีเสียงเคาะดังขึ้นทุกคนในห้องเริ่มมองหน้ากันแต่ส่วนหนึ่งก็คิดว่าห้องข้างๆคงอําเล่นและเริ่มจะโมโหด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์จึงตะโกนด่าไปเบาๆหนึ่งชุด แต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่พี่คนหนึ่งจึงลุกไปเปิดประตูมันก็ไม่มีใครเหมือนเดิมจึงเดินไปเคาะห้องข้างๆเรียกคนข้างในออกมาตอนนี้ประตูทั้งสองห้องเปิดอยู่แต่เสียงเคาะยังดังเป็นจังหวะเรื่อยๆห้องข้างๆซึ่งอยู่เรมสุดก็เปิดออกมาดูด้วยเพราะเห็นว่ามีเสียงเอะอะกันหน้าห้องแล้วเสียงเคาะ ก็ยังคงดังอยู่ทุกคนหันมามองหน้ากันบรรยากาศในตอนนั้นเงียบกริบมีเพียงเสียงเคาะประตูเท่านั้นมันดังเป็นชงช่วงแล้วทุกคนในห้องทั้งสามก็ออกมากันหมดแล้วเสียงเคาะก็หายไปพวกเขาเห็นแม่บ้านคนหนึ่งยืนถือไม้กวาดอยู่ตรงบันไดด้านล่างป้าแกแงแหนหน้ามองขึ้นมา ด้วยสีหน้าไม่พอใจพร้อมกับถามว่าพวกน้องทำอะไรกันที่คนหนึ่งจึงเดินไปหาป้าแก่เพื่อจะไปบอกว่าไม่มีอะไรแต่ยังเดินไปไม่ถึงร่างป้าคนนั้นก็หายไปหายวับไปกับตาเป็นสิบสิบคู่ทุกคนมองเห็นพร้อมกันหมดในตอนนั้นจนเริ่มรู้ระวาอยู่ไม่ได้แล้วงานเลี้ยงจึงต้องเลิกลา ทุกคนแยกย้ายกันกลับห้องของตัวเองพอเช้ามาจึงเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ป้าแม่บ้านคนหนึ่งฟังแกก็เลยบอกว่ามีแม่บ้านคนหนึ่งที่เคยอยู่ที่นี่แต่แกได้เสียชีวิตไปแล้วแกมักจะมาทำความสะอาดที่หอแห่งนี้เกือบทุกคืนแม่บ้านด้วยกันเองก็เจอแกบ่อยๆเห็นแกมากวาดพื้นหอเป็นประจำ ชินกันหมดแล้วแต่แกจะอยู่เฉพาะแค่ชั้นสี่เท่านั้นแกจะไม่ไปชั้นอื่นและวันนั้นแกคงไม่พอใจที่เด็กๆ เ, เอาเหล้าขึ้นมากินเอาบุหรี่มาสูบแล้วจับกลุ่มกันเล่นไพ่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้ประสบพบเจอและได้ฟังมาจากรุ่นพี่ที่อยู่หอนี้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่ผมเชื่อว่าเรื่องเล่าเหล่านี้จะถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปและจะยังคงเล่าต่อไปอีกนานอย่างแน่นอน สัมผัสสยอง